ทแต่ละวันแต่ละวันอย่างวันนี้เนี่ยใครพอทบทวนได้ไหมว่าวันนี้ได้กี่มงคล <Okay. S 1> อ่ะนะหนึ่งทานทานได้ใช่ไหมสองศีลอรารตีวีรตีก็เว้นจากบาปใช่ไหมฟังธรรมอ่ะนะฟังธรรมสนธนาธรรมเห็นส ม, มณะปูชาจัปูชนียานังโอ้วันนี้จริงๆแล้วได้มงคลเยอะมากเลยนะถ้าลองทบทวนนะ <c oughs> แต่ถ้าทำอากุสลเมื่อไหร่ อับปมงคลมงคนหายหมดอับประ ม, ง ค, ม, ง, ค ม, ระมงคลมาหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ทบทวนนะแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่เราแต่ละแห่งที่เราไปเนี่ยจะได้มงคลอะไรบ้างนนวิธีถ้าสาธากาะสัมปชัญญะนะใครเจริญไม่เป็นเนี่ยจำมงคลเอาไว้เลยว่าเข้ามงคนไหมหรืออับประมงคนอะไรบ้างเนี่ยนะคิดง่ายๆอย่างนี้ก็จเจริญสาธากาะสัมปชัญญะได้แล้วเนี่ยนะทีนี้แต่ทางนั้นทั้งนี้นะจะต้องจํามงคลเอาไว้ก่อนนะ สําคัญที่สุดนะจำมงคลทั้งสามสิบแปดให้ได้เพราะอันนี้ ม, มงคลจริงๆล่ะถ้าจำมงคลทั้งสาสิบแปดไม่ได้แล้วจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องตรวจสอบว่าอะไรเป็นมงคลและไม่เป็นมงคลโยมเมนจาคิดว่าท่องมงคลจะได้ไหมเนี่ยอา่าน่าจะได้นะเดี๋ยวเยวสาหน้าไปแล้วจะถามไม่ใช่เสานั้นลาป่วยเลยนะไม่ได้ห้ามขาดห้ามป่วย <c oughs> เห็นอนนะ ในในห้องเราเนี่ยใครยังท่องมงคลไม่ได้ช่วยยกมือขึ้นโห<ฮ>ก็ทําไมมากขนาดนี้เนาะ<ฮ><ฮ>ยมเพียนได้เมื่อไหรด่ดีเข้าใจว่าเพียนอีกคนหนึ่งเขาบวชมาก่อนได้แล้วเพียนอีกคนหนึ่งยมเพียนเมื่อไหร่คิดว่าจะได้มงคลสามสิบแปดเนี่ยไม่ได้จะต้องวัดตามวัดผลนะวิชานี้ไม่เลิกลา เราจะให้เร็วที่สุดนะภายในอาทิตย์หน้าเอางี้เลยนะติดไว้ที่พวงมาลัยเลยเอันนะติดไว้ที่พวงมาลัยทีแล้วคาถาอนนะติดไว้ที่พวงมาลัยแล้วก็ท่องไปเนียนะนะท่องได้แล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะขับไปท่องไปเลยนะอย่างงี้เดี๋ยวก็ได้เองแหละเชื่อเหอแล้วคุณรุ่งเมื่อไหร่ได้เนี่ยหรือได้อยู่แล้ว อ๋อได้นิดหน่อยนะไม่ครบสามสิบปดอ๋อหลวงพ่อทํามาโอนะก็ได้เท่านั้นนะคุณอุไรได้ยังมงคลสามสิบปดอ๋อยังนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะตามสอบหมดอะเจอ ใ, <ช>ใครที่มาเนี่ยถ้ามาจำได้จะถามสอบว่ามงคลได้หรือยังเ็บอกว่าพี่มวยคงได้แน่นอนนะเอาไอตรงนี้แหละมิจฉาทิถิและไอมิจฉาสังกปะเออขออภัย ไม่ตั้งอัตตะซ้มมาปณิที่เลยอ่ะนี่ขาดมงคลแล้วนะเพราะไม่ตั้งเอาไว้อ่ะที่ไม่ตั้งนี่ก็ไม่ใช่มงคลใช่ไหมถ้าตั้งเพื่อจะท่องมงคลได้ก็เป็นมงคลและจะได้มงคลข้อสุตะด้วยนะแต่ถ้าไม่ตั้งนี่อับประมงคลแน่มาตั้งไวเลยว่าชาตินี้ยังไงก็ต้องได้มงคลละว่างั้นน่ะคิดดูนะถ้าเราจำได้วันละมงคลนะจำแค่38ดวันจะได้38ดมงคลเอาวันละมงคลก็พอเนี่ยนะ แต่ไม่แน่บางคนน่ะรีบมากเลยไม่ได้สักมงคลเลยกรนี้เนี่ยนะถ้าคิดระยะยาวหน่อยนะวันก <curs CDU S 2> ็ได้แล้ว38มงคลเนี่ยนะโดยเฉพาะมงคลเนี่ยในข้อความเป็นพหูสูตรเนี่ยนะทรงจำทรงจมงคลข้อนี้นี่แหละเนี่ยนะแล้วปฏิบัติตามมงคลแต่ละข้อแต่ละข้อไปเนี่ยเชื่อได้เลยว่าบรรลุมรรคผลแน่ ก็สูตรนี้มงคลละสูตรเป็นสูตรที่เขาบรรลุกันเยอะแยะไปหมดเลยนะถ้าเราจำมงคลแล้วปฏิบัติตามมงคลแล้วไม่บรรลุถึงมงคลมันจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมก็ได้อยู่แล้วล่ะเขาให้มีศรัทธาตั้งความปรารถนาเอาไว้ก่อนเถอะอันนี้เป็นมงคลที่สำคัญที่สุดเลยนะท่นพระองค์นี้ช ม, ช ม, ชมเชยมากว่าดูก่อนที่สูทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมละอกุศลเจริญกุศล ย่อมละสิ่งมีโทษเจริญสิ่งที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์เพราะผู้ที่ที่ทรงจำนะอย่างที่พุทธพจน์สูตรนี้กล่าวไว้ชัดเจนเลยว่าคนที่ทรงจำมงคลนไว้ได้เนี่ยนะจะละอกุศลเจริญอกุศลเจริญกุศลละสิ่งมีโทษเจริญสิ่งที่ไม่มีโทษบริหารตนให้เป็นสุขเนี่ยนะแล้วก็วิธีคิดอีกในหนึ่งนะสมมติถ้าเห็นพ่อนี้ได้กี่มงคล ลองไล่ดูนะเห็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้ได้กี่มงคลจะทํามงคลอะไรได้บ้างเพราะผู้ฉลาดทั้งหลายเนี่ยทำสิ่งที่เป็นอัปมงคลให้เป็นมงคลได้เนี่ยนะขอให้ท่องจําทรงจําแล้วก็มันเจริญเถอะเนี่ยนะพยายามฝึกไปนะยอมโตเอาให้ได้นะมงคลนะได้แล้วนะได้แล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวจักได้เพราะคุณนภาได้แล้วมงคลเหมืนกันนภาบอกก็ดีใจมากจํามงคลได้แล้วเหมือนกัน ก็ดีล้ดีแล้ ว, ลวสาธุนั่นก็เป็นมงคลเลยนะที่จํามงคลได้นะก็นับว่าเป็นพหูสูตรใช่ไหมเป็นพหูสูตรทีนี้ถ้าผู้ที่ทรงจําไว้อย่างนี้ได้ก็ย่อมพิจารณาธรรมะทั้งหลายตามที่ทรงจำเอาไว้แล้วเนี่ยนะทีนี้ธรรมะนั้นก็จะทนต่อการเพ่งพินิจของเธอมงคลทุกพ่อนะควรต่อการเพ่งเนะ่ยเพ่งตามนั้นดูเถอะ น, นะสมควรต่อการเพ่งจริงๆ เธอผู้พิจารณาเนื้อความอยู่เมื่อธรรมะทนต่อการเพ่งพินิจอยู่ฉันทะย่อมเกิดขึ้นเนีย่ยนะฉันทะย่อมเกิดขึ้นโดยเฉพาะมงค์คนท้ายๆลงไปใช่ไหมอริยาสาัจจานัศนังนิพานาสติกิริยาเอตมังคารมุตตะมังเนี่ยโดยเฉพาะมงคลข้อหลางๆเนี่ยจะทําให้เกิดฉันทาทําให้เกิดศรัทธาเมื่อมีฉันทะก็จะเกิดอุตสาหะเมื่ออุตสาหะก็ใช้อยู่ในดุลพินิจคือการเข้าไปพิจารณาทุกขสั์โดย ปริญญาสามเป็นต้นนะทีนี้เมื่อเพ่งพินิษอย่างนั้นก็จะตั้งความเพียรในการเจริญอริยมรรคสัจเมื่อบำเพ็ญความเพียรอย่างนี้จักทาให้แจ้งประมาทสัจจะคือประมัตินั้นคือนิโรธสัจนะคือนิพานด้วยนามกายและเป็นผู้ทะลุปรุโปรง่งในพระนิพานอ น, นั้นแหละด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นผู้ที่ยกตัวอย่างว่าถ้าจามงคลได้ เอามงคลเนี้ไปพิจารณามงคล น, นี้พระองค์ตรัสไว้ไม่ผิดเป็นธรรมที่ควรต่อการเพ่งพินิษพิจารณาจริงๆถ้าเพ่งเห็นตามนั้นจะทําให้เกิดชั้นท่อุตสาหะแล้วก็จะใช้ดุลพินิษพิจารณาทุกขสัจด้วยยาตะปริญญาตั้งความเพียรในการเจริญอริยมรรคสัจทาให้แจ้งนิโรธสัจจะเพราะันผู้อย่างนี้ก็จะละสามารถละสมุทยัยสัจได้นัถ้าเพียรเพ่งทรงจําไว้ได้เพราะว่ามงคลเนี่ยดังที่กล่าวว่า เฉพาะเทวดาเนี่ยบรรลุอรหันต์เนี่ยแสนโกดบรรลุเป็นพระริยบุคคลชั้นล่างๆหาประมาณไม่ได้อนะก็ก็ทรงจําเอาไว้เถอะถามว่าเอา๊ะเอาหน้าไหนมากล่าวว่าบรรลุหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะบอกว่าให้ดูอันนี้สงก่อนนะหน้าสองร้อยสิบสามนะว่าไม่ใช่กล่าวตูนะนะมีหลักฐานด้วยก็เปิดดูว่ามงคลสูตรนี่เขาบรรลุเยอะเหลือเกินเนี่ยเว้นแต่เราเนี่ยยังไม่ได้บรรลุเนี่ยนะ 210 213เนี่ยที่บอกว่าตอนทอนดท้ายเทสนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจบอย่างนี้แล้วเทวดาแสนโกรธบรรลุพระอรหันต์จานวนผู้บรรลุโสดาปฏิพลนธสกทาคามีผลอนาคามีผลนับไม่ได้นี่นะก็บางท่านก็บอกก็เทวดาไงเ้าบรรลุเราไม่ใช่เทวดาก็เลยยังไม่ได้บรรลุไง <laughs> เดี๋ยวเป็นเทวดาแล้วค่อยว่าอีกทียงั้น อันหนึ่งแม้ความเป็นพาหุสัจความเป็นพาหุสูตรของครืหัดอันใดไม่มีโทษอันนั้นก็พึงทราบ ว, ว่าเป็นมงคลวิชาการทางโลกนะที่จำไว้ได้แต่เป็นวิชาที่ไม่ได้ส่งเสริมอากุศลกรรมบทสิบอนัตกาทรงจำในสิ่งเหล่านั้นได้ก็เป็นมงคลใช่ไหมก็อย่างผู้ที่ประกอบอาชีพใดโดยโดยเฉพาะที่เป็นสัมมาอาชีพเนี่ยนะนะถ้าทรงจาในสิ่งนั้นนั้นได้ก็นับว่าเป็นมงคลด้วยนะ เพราะนํามาซึ่งประโยชน์สุกในโลกทั้งสองเนะเพราะว่าวิชาการทางโลกบางอย่างบางสาขาก็ะนะก็ไม่ได้เสียหายประโยชน์โลกนี้ใช่ไหมในขณะเดียวกันก็ไม่ขัดอะไรต่อประโยชน์โลกหน้าเพรา ะ, ะ น, นเชื่ อ, อได้สําเร็จประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกหน้านะความเป็นพหูสูตรนี้พระองค์ชมเชยยกย่องมากะนะก็ยกตัวอย่างมาหลายแห่งด้วยกันโดยเฉพาะยกข้อความมาจากกีตาคิริสูตร นในหน้า185ยเนี่ยยกมาจากกีตาคิริสูตรเนี่ยนะส่วนข้อความซ้ายมือนี่ก็มาจากหลายแห่งเช่นนาถากรณธรรมเป็นต้นเนี่ยนะนี่มาขึ้นมงคลที่8ดมงคลที่แดเนี่ยนะสิบปัญจะคือมีศิลปะนศิลปะของครหัดและศิลปะของบันประชิต บรรดาศิละปะทั้งสองอย่างนั้นกิจกรรมมีการงานของช่างมณีช่างทองเป็นต้นที่เว้นจากการทําร้ายชีวิตสัตว์อื่นเว้นอกุศลชื่อว่าอนาคาริกะศิละป ะ, นนะศิละปะของเครือขัดคือการประกอบอาชีพเช่นสายช่างเป็นต้นเนี่ยนะไม่ใช่ช่างวางระเบิดนะไม่ใช่แต่หมายถึงว่าช่างที่เกี่ยวกับวิชาการงานที่ไม่มีโทษเนี่ยนะวิชาความรู้เหล่านั้นก็นับว่าเป็นมงคลเนี่ยนะ ในในี้ของของคาราวาสนะของอนาคาริกะพันคาราวาสทั้งหลายก็ต้องอยู่ด้วยการครองชีพใช่ไหมถ้าไม่มีศิละปะไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วจะครองชีพได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการ เ, าเรียนวิชาครองชีพที่เป็นวิชาไม่ได้ไปทําบาปทําอกุศลที่ไหนก็นับว่าเป็นมงคลใช่ไหมเป็นศิละปะนี่นับว่าเป็นมงคลอนาคาริกะศิละปะนั้นเป็นมงคลเพราะนํามาซึ่งประโยชน์ในโลกนี้ อย่าลืมนะว่าในคำว่าบัณฑิตที่ผ่านมาเนี่ยคำว่าบัณฑิตคือผู้ที่ได้ประโยชน์โลกนี้และโลกหน้าเพราะฉะนั้นผู้ที่มีศิละปะก็อย่างน้อยที่สุดเห็นเห็นก็ได้ประโยชน์ในโลกนี้นนะยยางอนนะไรในนี้ก็ยืมคุณธพาเป็นตัวอย่างหน่อยคุณธพานี่ก็นับว่าเป็นผู้ที่มีศิละปะในการออกแบบเกี่ยวกับเครื่องเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยนะก็บอกว่านั่นก็เป็นศิละปะที่เขาบอกว่าทาอะไรก็ติดตลอด ในนี้ก็คุณุไรก็บอกว่าออกผ้าอันไหนมาก็ติดตลาดนะเขบอกว่าเขมนก็สั่งลาวก็สั่งมางั้นเถอะก็เลยเขาบอกว่ามีศิละปะในการออกแบบเกี่ยวกับเรื่องผ้าเนี่ยนะไอ้ความที่มีศิละปะเหล่านั้นเนี่ยนะประกอบอาชีพได้ถึงทุกวันถ้าไม่มีศิละปะเหล่านั้นคิดหรือว่าจะได้มาฟังทำอย่างนี้เนี่ยนะเพราะความที่สามารถออกแบบมีศิละปะในการออกแบบเป็นต้นชั่วยอันนั้นนับว่ามีประโยชน์ในการ ศึกษาพระธรรมในตอนหลังเพราะประโยชน์โลกนี้ไม่เดือดร้อนนะใช่ไหมถ้าเดือดร้อนในเรื่องโลกนี้ถามว่าจะมาฟังธรรมได้ไหมการเดินทางจะมาได้ไหมอาหารเป็นต้นการเป็นอยู่จะมีได้ไหมเพราะความที่ได้รับประโยชน์ในโลกนี้เนี่ยนะก็ทำให้ได้มีเวลามาศึกษาแล้วก็สแสวงหาประโยชน์ในโลกหน้ามันศิลปะพระองค์ตรัสว่าเป็นมงคลเพราะฉะนั้นการหาวิชาความรู้ติดตัวนั้นนับว่าเป็น ความดีอย่างเยี่ยมเนี่ยนะนะพ่อแม่ทั้งหลายที่รักลูกสงเครอบบุตรทั้งหลายก็เลยพยายามให้มีศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมจะได้เป็นมงคลชีวิตการมีความรู้ในการงานที่ไม่มีโทษนะั้นนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเนี่ยนะนะหลายๆท่านก็นับว่าเป็นผู้มีศิลปะนะถ้าไม่มีศิลปะก็กชีวิตจริงๆก็อยู่ยากเหมือนกันนะเพราะอาชีพที่ไม่ต้องใช้ศิลปะเลยอาชีพไหนก็อาชีพกลุ่มทําบาปทั้งหลายแหละเนี่ยนะนะ พันพวกนี้ต้องอาศัยศิละปะพอสมควรนะ น, นะ mm. ก็เรียกว่าพลิกแผ่นดินน่ะ mm. ให้มันเป็นอะไรเป็นสินค้าได้นั่นแหละเขาเรียกว่ากลุ่มศิละปะเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นมงคล mm. ส่วนพระภิกษุทั้งหลาย mm. พระภิกษุนะว่า mm. การจัดทาสมณะบริขารมีการกะและการเย็บจีวรเป็นต้นซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสารเสริญไว้ในที่นั้นๆโดยในเป็นต้นว่า ก่อนิสูุทั้งหลายกิจที่ควรทําำรายของสัพพมาจารีไม่ว่าสูงต่ําเหล่านั้นใดภิกษุเป็นผู้ขยันในกิจที่ควรทํานั้นๆเพราะฉะนัน้นการเย็บจีวรการกะจีวรเป็นต้นของพระพิสูจก็นับว่าเป็นมงคลเนี่ยนะเช่นไปช่วยเย็บช่วยกะช่วยจีวรของพระที่เป็นพหูสูตรมีความรู้เป็นต้นเนี่ยนะท่านเหล่านั้นก็จะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์แสดงทําให้ฟังเป็นต้นฉะนั้นการช่วยเหลือในสิ่งนี้ก็นับว่าเป็นมงคล และพระองค์ก็ตรัสว่าผู้ที่ขยันช่วยเหลือกิจการงานของพระพิสุเพื่อนสะพพรมจารีก็นับว่าเป็นนาถกรณธรรมธรรมที่ธรรมที่พึ่งนันความรู้ในการเย็บการย้อมเป็นต้นนี้ก็นับว่าเป็นมงคลของบัญประชิตเนี่ยนะของนักบวชทั้งหลายอันถ้าแบ่งตามนี้แล้วก็มงคลศิลปะที่เป็นมงคลของคารวะกับศิลปะที่เป็นมงคลของบรประชิตเนี่ยนะ พราะชีวิตของคารวะที่ที่ไม่ค่อยเดือดร้อนในเรื่องปัจจัย4 ส, ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ที่มีศิลปะเนี่ยนะมีความรู้ความสามารถไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งอันนั้นแหละเป็นเหตุให้เขาครองชีพได้เนี่ยนะพระองค์ตรัสว่าศิลปะของบรรพชิตพึงทราบว่าเป็นมงคลเพราะนํามาซึ่งประโยชน์สุขในโลกทั้งสองแก่ตนเองและของ บุคคลอื่นนะนะเช่นพระพิสุที่รู้จักเย็บกะย้อมชีวรเป็นต้นก็ทําของตัวเองด้วยแล้วก็ช่วยเหลือบุคคลอื่นด้วยการทําของตัวเองก็ประโยชน์โลกนี้ใช่ไหมการส่งครอบผู้อื่นทําบุญกับผู้อื่นก็นับว่าเป็นประโยชน์โลกหน้าก็ได้ประโยชน์ในโลกทั้งสองก็นับว่าเป็นบัณฑิตเนี่ยนะฮะผู้ที่มีศิลปะอย่างนี้ก็นับว่าเป็นบัณฑิตนะก็บุคคลที่มีศิลปะนี้ถ้า กล่าวแบบรวมๆก็เป็นคนที่น่าคบหาสมาคมด้วยใช่ไหมก็เพราะเป็นผู้ที่เป็นบัณฑิตได้รับประโยชน์ทั้งสองอันใครที่รู้จักคบผู้ที่มีศิละปะก็จะทำให้เขาเป็นผู้มีศิละปะไปด้วยเนี่ยนะถ้าคบกับคนนะไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยนะถามมาดีไหม <c oughs> เดี๋ยวนานๆเข้าเราก็จะทำอะไรไม่เป็นเลยอีกเหมือนกันเนี่ยนะั้นก็การครบผู้ที่มีศิละปะมีความรู้ความสามารถก็ทาให้เรามี สติปัญญาทําให้สา ม, มารถทํากิจการนั้นๆได้วินโยจะสุสิกิโตเนี่ยนะวินโยนี่หมายถึงพระวินัยสุสิกิโตหมายถึงการเรียนเนี่ยนะมันมงคลข้อที่เกก็คือการศึกษาวินัยไว้เป็นอย่างดีทีนี้วินัยนี่ก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มวินัยของนักบวชกับกลุ่มวินัยของ เครือขัดเนี่ยนะครหอขัดและบรนประชิตนั่นเองบรรดาวินัยสองอย่างการงดเว้นจากอากุศ ล, ลกรรมบทสิบชื่อว่าวินัยของครหอขัดวินัยนี้แปลว่ากำจัดนะท่านก็ศึกษาวินัยคือการกำจัดบาปอากุศลคืออกุศลกรรมบทสิบได้นี้ก็นับว่าเป็นมงคลของคารวาสชีวิตของใครก็ตามที่ไม่ล่วงอกุศลกรรมบท10บประการชีวิตของบุคคลนั้นก็นับว่าเป็น เป็นมงคลนะเป็นมงคลวินัยของครหอขันนั้นครหอขันศึกษาดีแล้วในวินัยนั้นชื่อว่าเป็นมงคลเพราะนํามาซึ่งประโยชน์สักในโลกทั้งสองด้วยการไม่ต้องกิเลสความเศร้าหมองและด้วยการกําหนดคุณคืออาจาระคือมรญญาได้แก่ศีลคารวะทั้งหลายควรศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกุศลกรรมบทเอาวให้ดีปานาฏิบาติมีองค์เท่าไรเช่นอย่างเงยตัวอย่างนะ ปานาติบาตมีองค์5คือ 1. สัตว์มีชีวิต 2. รู้ว่าสัตว์มีชีวิต 3. จิตคิดจะฆ่า4พยายามฆ่าหสัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นถ้าครบองค์อย่างนี้มีโทษยังไงให้ผลนําเกิดในอบายถ้าให้ผลในประวัติการก็อายุสั้นอย่างนี้นีทีนี้ต่อไปอีกว่าปาณาตีบาตมีอะไรเป็นอารมณ์ มีชีวิตตินซีเป็นอารมณ์ขณะที่ทําปานาติบาตเวทนาเป็นอย่างไร ท, ทุกขเวทนาเรียกว่าทุกขเวทนาตัวปานาติบาตโดยโกถาสะโดยตัวที่ทําให้ทําปานาติบาตคืออะไรตัวเจตนาเป็นตัวตัวทำปานาติบาตแล้วมูลรากเหตุตุปัจจัยของปานาติบาตคือโทสะกับโมหะเนี่ยนะโทสะกับโมหะเป็นเหตุตุปัใจจัยให้ พะการที่สามารถวิเคราะห์แล้วทุกข้อทุกข้ อ, ท, ขอทุกข้อไล่ไปอย่างนี้ได้ก็จักรู้ในกรรมที่อะไรควรทําอะไรไม่ควรทําสามารถวิเคราะห์แยกแยะว่าถ้าครบองค์ห้าเนี่ยประตูอบายเปิดแล้วนะเฉพาะตรงนี้นะขุดลุมไว้ตรงแล้วนะถ้าตกลุมนี้เมื่อไหร่ก็อบายแล้วนะเพราะฉะนั้นก็สามารถทรงจำเอาไว้แล้วข้อ ง, งดเว้นเป็นอย่างไรอ่า น, น, นงดเว้นด้วยการสมาทานด้วยการงดเว้นเป็นต้นหมั่นละลืกบ่อยๆว่า นะเขาก็เป็นสัตว์ที่หวงแหนชีวิตแม่เราก็หวงแหนชีวิตเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเมื่อหวงแหนชีวิตด้วยกันเราก็ไม่ควรฆ่าเขาหมันและลึกอย่างนี้บ่อยๆในกุศลกรรมบท10ประการอันนี้ก็นับว่าเป็นมงคลชื่อว่าศึกษาวินัยที่ได้ศึกษาไว้ดีแล้วเนี่ยนะศึกษาค้นคว้าหารายละเอียดเกี่ยวกับกุศลกรรมบท10ประการเอาไว้ให้ดีอันนี้เป็นมงคลเนี่ยนะเป็นมงคลแก่ตัวเราจริงๆเพราะว่า อกุศลกรรมบทสิบนี่มันประตูอบายชัดๆเลยนะประตูอบายจริงๆเพราะว่าอบายอปายะนี่แปลว่าความเสื่อมอบายนีแปลว่าไม่เจริญอปลายะปายะอปายะแ ป, ป, ป, ปลว่าไม่เจริญหมายว่าเสื่อมโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นผู้ใดถ้าประพฤติล่วงอกุศลกรรมบท10บก็ทุกข้อนะนำเกิดได้หมดเลยนี่นะนำเกิดในอบายทุกขติวินิบาสนรกได้หมดเลยเวลาเห็นเดราชาเนี่ยดึงย้อนกลับมาหาว่า เพราะเขาล่วงอกุศลกรรมบท10ประการนะจึงเกิดในอบายเนี่ยนะมันพิจารณาไคร่ครวญอย่างนี้บ่อยๆเข้าทุกแห่งเราเจริญกุศลกรรมบทได้ทุกข้อไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งทุกแห่งเนี่ยเจริญกุศลกรรมบทได้ทุกแห่งถ้าศึกษามงคลมาเป็นอย่างดีอายกตัวอย่างเหมือนเราทั้งหลายเนี่ยเข้ามานั่งใช้สถานที่ตรงนี้สถานที่ตรงนี้เข้าของเครื่องใช้ส่วนใหญ่แล้วมีเจ้าของใช่ไหม เรารู้ไหมว่ามีเจ้าของรู้ถ้าคิดจะเอาแล้วถ้าเอาและครบองค์ของเคลื่อนจากฐานอธินาทานเจตนาก็เกิดขึ้นประตูบายก็อยู่ตรงนั้นนะสำหรับเราขณะเดียวกันถ้าเราปรารบให้ความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของเขาทรัพย์สินของใครผู้นั้นก็หวงแหนเราให้ความปลอดภัยกับทรัพย์สินของเขาอันนี้ก็เป็นสินของเรานั่ น, น, นประตูสุขคติเพราะฉะนั้นเห็นทรัพย์สินของคนอื่น น้อมมนุษ์การเป็นทรัพย์สินของผู้อื่นแล้วเราคิดไม่เอ า, เอาคิดไม่น้อมมาเป็นของตนเพราะว่าเป็นของผู้อื่นถ้าเราจะเอาก็เอาโดยสุดจริตเราจะไม่เอาโดยทุจริตมั่นระลึกแบบนี้บ่อยๆก็เป็นอะไรเป็นการงดเว้นจากอาธินาทานนั่นเป็นมงคลนะแล้วก็ปรารบชีวิตของสัตว์อื่นล่ะเราก็น้อมไปเพื่อความไม่ฆ่าอันนั้นก็เป็นประตูแห่งสุคติของเรา การเห็นบุตรและภริยาของผู้อื่นคู่ครองของผู้อื่นเราก็ไม่คิดเลยเถิดอันนั้นก็เป็นเป็นบุญของเราแล้วเราจะพูดถึงอะไรเราก็จะพูดด้วยคําสัต์คําจริงสิ่งนี้ก็เป็นมงคลของเราเนี่ยนะเป็นบุญของเราแต่ละอย่างแต่ละอย่างเราสามารถน้อมเข้ามาพูดได้น้อมมาตรกึกมาคิดให้เป็นประตูสุขคติอยู่ตรงนั้นก็ได้เพรา ะ, ะกุศลกรรมบท10เป็นประตูแห่งสุขคติอย่างน้อยที่สุดกลับมาเป็นมนุษย์อีกเหมือนเดิมเนี่ยนะ แล้วก็กุศลกรรมบทเสเนี่ยนะถ้าคารวาดผู้ใดศึกษาได้เป็นอย่างดีนี่เป็นมงคลของเขาเพราะเขาจะไม่ก้าวล่วงอ ก, กุศลกรรมบทจะรักษาอยู่ในกุศลกรรมบทชีวิตก็ประสบแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวเนี่ยนะคำว่าเจริญในที่นี้ไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่าวัตถุเจริญเสมอไปนะแต่หมายถึงว่าความเจริญ ถ้ามองแบบระยะยาวๆก็จะได้รับความเจริญแต่ไม่ใช่ว่ารักษากุศลกรรมบท10แล้วก็วัตถุจะได้เจริญทันตาเห็นอันนี้คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเนี่ยนะแต่ว่าถ้ารักษากุศลกรรมบทเนี่ยนะไม่ต้องเสียทรัพย์ทั้งหลายข้อนี่ก็นับว่าเป็นบุญเป็นเป็นคุ ณ, ณประโยชน์อย่างมากแล้วส่วนบันปะชิดทั้งหลายการไม่ต้องอาบัตทั้ง7กองเรียกว่าวินัยของบรรปะชิต อ ბ ัตเจ็ดกองของพระพิสุหนึ่งปรกะองที่หนึ่ราชิกอนนะกองที่สอง 2, สังขาทิเศษกองที่สามทุลใจกองที่ 3, ทุกกฎกองที่ห้าทุกพาสิทธ์ ทวนใหม่นะทวนพอดีไม่หมดหนึ่งปาราชิตสองสังคาทิเศษสาทุลจัย 4. ปาจิตีหปาธิเทสนิยะ 6. ทุกกฎเจทุพพาสิทธนี่นะเอหลายคนนี่จะจำชื่ออบัติได้มากกว่าพระบางรูปซะอีกเก <c oughs> ่งมากนะปาราชิก4เนี่ยหมายถึงว่าถ้าต้องข้อใดข้อหนึ่งขาดจากความเป็นพระ ประดุดคนหัวขาดเป็นต้นเนี่ยนะหรือหินก้อนโตโตที่แตกเป็นสองเสี่ยงเนี่ยนะหรือเหมือนกับตายอดด้วนเนี่ยนะเหมือนกับใบไม้ใบไม้เหลืองที่ร่วงหล่นอันนั้นก็คือโทษของปราชิกถ้าต้องแล้วก็ไม่เจริญงอกงามในาศาสนาฉันนั้นอันนี้หมายถึงว่าถ้ายังปฏิญาณตนว่าเป็นภิสูจน์นะแต่ถ้าเลิกปฏิญาณตนว่าเป็นพิสูุนก็ไม่มีปัญหาอะไรอบัตสังคาทิเศตก็ต้องอยู่ปริวาสกรรมเป็นต้น ถ้าอาบัตทุลใจก็เป็นแสดงออกทุลใจนี่แปลว่าท่วม อ, อ้วนหยาบอ้วนพีแล้วก็อบัตอะไรอ่ะปาจิตีกับนินสกีนี่กลุ่มเดียวกันเนี่ยนะกลุ่มเดียวกันเรียกว่าปาจิตีก็เป็นธรรมที่เรียกว่ายัางอาจาระให้ตกไปส่วนปาฏิเทสนียเรียกว่าเป็นอบัติที่แสดงคืนเนี่ยนะปาติเทสนียะและอบัตทุกกฎก็คือทําไม่ดีทุพภาสิท์ก็ พูดไม่ดีเช่นพระพิสูจนเนี่ยนะจะไปพูดว่าโอ้ oh, โหอ้วนยังกระต่มเนี่ยนะพูดคำๆสนุกสนุกไม่ได้นะถ้าพูดเพื่อจะด่าเป็นอบัตตปาจิตีถ้าพูดเพื่อคขำๆเป็นอบัติทุพพสิทธิ์เนี่ยนะผอมเหมือนไม้อะไรสักอย่างอะงี้ยนะหรือคือพูดเปรียบเปรยเพื่อคขำๆเล่นๆสนุกๆเ น, นี่ยนะ เ, เป็นคําแต่ว่าเรียกว่าคําด่าแต่พูดเพื่อเล่นเนี่ยอันนี้เป็นอบัตตทุพพสิทธิ์เนี่ยนะ ก็มาจากทุพพาสิทธิ์พาสิท์ก็คือคําพูดใช่ไหมทุกไ็ไม่ดีก็พูดไม่ดีนั่นเองเั้นถ้าศึกษาพระวินัยเอาไวด้ดีเนี่ยนะศึกษาอาบัติทั้งเจ็ดกองเอาไวด้ดีแล้วก็จะบริหารตนให้พ้นจากการทุศีนเนี่ยนะทุศีนเพราะฉะนั้นวินัยของบรรปะชิตนั้นอันบรนประชิตศึกษาโดยในที่กล่าวมาแล้วดี ก, ก็ก็ทําให้พ้นจากเครื่องเศร้ามองเนี่ยนะ เพราะว่าไม่เป็นเครื่องกั้นต่อการบรร ล, ลุมรรคผลอีกในหนึ่งก็ความบริสุทธิ์ของศีลสี่ประการเนี่ยนะคือปาติโมกขสังวรหนึ่งนะสองอินรีสังวร3าอะไรปัจจยะยสันนิสิตศีลสอาชีวบริสุทธิ์ที่ศีลเรียกว่าความบริสุทธิ์ของศีลสีประการอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวินัยของบรรพชิตเนี่ยนะ ก็รักษานะทวนอีกครั้งว่าปาติโมกปาติโมกโดยสัพแปล ว, ว่ารักษาไม่ให้ตกไปในอบาลรักษ า, าไว้ให้อยู่ในสุขติ 2, in, 4, สองอินรีสังวรเพราะเป็นทาวานแห่งการที่จะทุจริตหรือไม่ก็ทาวารทั้ง6นี้ก็สำคัญต่อไปก็การพิจารณาปัจจัย4สุดทา้ายอาชีพเนี่ย น, น, น, น, นะได้ปัจจัย4มาโดยชอบทำ ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในจะตุปาริสุทธิ์ที่ศีลสี่ความบริสุทธิ์ของศีลสประการก็นับว่าเป็นมงคลวินัยของบรรพชิตนั้นอันบนรรพชิตศึกษาดีแล้วด้วยการศึกษาโดยประการที่ตั้งอยู่ในปาริสุทธิ์ที่ศีลสี่คำว่าศึกษาวิเนยดีหมายคําว่าอยู่ในวินัยอย่างเยี่ยมทั้งสข้อนะไม่ใช่ว่าเรียนมาดีเฉยๆแต่หมายถึงว่าปฏิบัติดีอยู่ในพระวิเนยเหล่านั้น อันวินัยของบรนประชิตนั้นอันบรนประชิตศึกษาดีแล้วแล้วก็ตั้งอยู่อย่างนี้นี่นะก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เพราะเหตุใกล้แห่งการบรรลุเป็นพระอาหารหันต์พึงทราบ ว, ว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุประสบสุขทั้งโลกิยะและโลกุตระเนี่ยนะเพราะว่าศีลที่เป็นกุศลอย่านนะัย่อมนํามาซึ่งอะไรศีลที่เป็นกุศลเนี่ยย่อมนํามาซึ่งอะไรอวิปปิสาร อวิปัสสนานำมาซึ่งอะไรอะไรมันนะปราโมทใช่ไหมปราโมทปราโมทนำมาซึ่งปิติปิตินำมาซึ่งปัจสถานิย่อมนำมาซึ่งสุขสุขนำมาซึ่งสมาธิสมาธินำมาซึ่งยถาภูตยานัทสนะยะถาภูตยานัทสนานำมาซึ่ง นิพถานิพิถาย่อมนำมาซึ่งวิราคาวิราคานำมาซึ่งวิมุตวิมุตนำมาซึ่งวิมุตติยานัทสนาน่ะวิมุตติยาณทัทสนะนำมาซึ่งอนุปาทาปรินิพานนั่นน่ะอนุปาธาปรินิพานท่านก็ศีลเหล่านี้เนี่ยนับว่าเป็นมงคลอย่างมากต่อผู้ที่ปฏิบัติตาม กุศลละศีทั้งหลายพันนะพันผู้ที่ศึกษาศีลมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะอย่างไรจึงจะชื่อว่าศึกษาศีลสิกขาก็คือเมื่อนึกถึงก็ชื่อว่าสิกขาเมื่อนึกถึงก็จะรู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ก็ชื่อว่าสิกขาเมื่อรู้อย่างนี้ก็รู้บ่อยๆเรียกว่าเห็นเมื่อเห็นก็ชื่อว่าสิกขาเมื่อเห็นบ่อยๆก็สามารถพิจารณาได้การพิจารณาก็ชื่อว่าสิกขาเมื่อ นึกถึงรู้เห็นพิจารณาอย่างนี้ก็สามารถอธิษฐานจิตให้สิกขานี้มั่นคงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนั้นการอธิษฐานก็ชื่อว่าสิกขาเพราะฉะนั้นการน้อมใจไปด้วยศรัทธาเป็นต้นนะหรือการเจริญอินสี่ห้าก็ชื่อว่าสิกขาการรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ละเจริญทำให้แจ้งเป็นต้นก็ชื่อว่าสิกขาเพราะฉะนั้นก็ วินโยจะสุสิกขิตโตเนี่ยนะการศึกษาดังกล่าวมาก็ชื่อว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเนี่ยนะเพราะเป็นเหตุแห่งความเจริญนะเจริญเจริญถึงขนาดเรียกว่าจบลงที่อรหั ต, ตผลนั่นแหละ